ในโลกนี้มันบว่ามีผู้ใดอยู่ขําป่าเถอะสิคือสบายใจดีใจได้บ้างใจดได้ผูมีใครอยู่ขําป่าผมีไคยืนโนก็ได้หรอกันไในค้ตอตะโนตะักหรโอ้มันเปาเถอะใคได้ในลาเวลาวนเดือนสีนี่มันเปาเ่ า, ามันเปล่าไปแท น, ใ น, ใ น, ใน เข้าวงจัดเอาคนยังสบายยิ้มหัวอยุกมว้วนอยู่เหลืองนั้นเลย น, น, นิยุกมันเปล่าเฉยๆมันเ้าไปในแบบผมเล่นใส่ซื้อไม่แกะเอากห้องหวยนํานจเล่นมันแกะออกไปแกะออกไปพี่เจงเข้าตกยิ่ในกระแสนี่แหละพี่เจงกระแสเ น, นืน้าโขงนี่แหละมันไหลไป เขาล่ใสปน้ำกลางกระแสน่าหอมคิดเลยโอ้ยสบายส้มนกส้ ม, มไม่ใส่ยีแหน่ไม่ย่ผ้าไปตกพูนตกลีหีหุ่นไม่ผ้าไปยูเดสานเวล่าพานไปไห้เราไปโบยเห่ากันได้จำนะยีกบยโดนกันได้แช่ห้ากับตรงตายแล้วโบาจักกันกระตายจักกันตรงจักภาคข้อมทักษะมีสุ ข, ขูสุกคนนมียกเว้นเนี่ เกิดมาอยู่ในโลกต้องได้พบได้พ่อท่มพัฒนาจากสิีนทีท่รักที่พ่อใจพ่ออายุฟันนี่เราเห็นเลยล่ะเห็นหลายแล้วล่ะ ว, ว่าพัฒนากจากสิีนที่รักนจากซีนทีหั ก, กทีทกท่พ่อใจเห็นหลายแล้วพอแม่พี่น้องกระป๋าแล้วก็มี่หัวเนื้อลูกนั่น ไปหลายเลยเวนี่แหะเพาอันนั้นแล้วมาเป็นตัวอย่างแน่เม่อไหรูต่อไปนั้นใช่น้อเว้ยสันพิทแมทเทอร์พแม่วต่อไปมันผู้ได้ไมอแตู่มีเสี้วเว้สันนี่และเปล่าเต้นนะฮนี่เล่าแลนนะนี่หาเอาแน่วม่ันสิเป็นพระใดค่อยยึดได้จะเอายึดได้เราเป็นบุญเป็นผู้ชนนี่ยึดเอาหาเหต ควมดีใส่ใสใจใจที่จังกตานี่แหละใสที่จังกตากระต า, ากระ บ, บุม่มสาหรับใส่ของดีเขาไปหาของดีเรมากมากในโลกนี่ของดีแบบนีของกลัวแบบนี้อยู่ในโลกนี่อ่านเก็บของดีดีเมล่ามึงจะ น, น, นอยแต่ว่าทีวิตเท่าที่แกจะลาดตลาดไปบ่อยหรไปกันไดเมื่อไหร่แกได้รู้คนเลี้ยงอีกนหน่อยนี้ เปลเฮ็ดแปล่าเอาเ่าใสหมายามาท่ามาของพุทธเจ้านี่ยเปนแนะนาเลยแล้วอันไดดีอันไดบดีนี่ยอันไดบอดีจดีสะเว่นออกอันไดดีก็เฮ็ดเอาน้ำแน่เฮ็ดเอาน้ำพ่นออกแน่ให้คนมาอยากดีให้มบ่ได้หรอให้คนมาอยากดีให้ป็นดห้องกับบอดีห้องบ่เฮ็ดเพงเนี่ยมันอย่างนี้แน่สิดีเนี่ยในท่านยังจิะ ให้ท่านคืได้เท่านก็ตามหัวมันละแม่เขาก็ให้ท่านก็ได้ชั่วข่าวฟ้าอาหารก็ได้เงี้ยก็ได้ดอกเรจะต้องไปหาท่องค่องค่องขแต่ยัเง่อนทองมาท่านหอกขาวฟ้าอาหารเรื่อนท่องย้อมสินนั่นละ่ะเสือเ้อผ้าแผ่นแ่เอาแน่มาถวายพระเหมืนสนี่ว่อม น, น่ันเอาผ้าซื้ อ, อมาเป็นย่อมเองก็ได้เช่นเ่นดอกหูก ย, ยาโน่น ให้ท่านแล้วรักษาศีลดีรักษาศีลอยู่บมไม่ใช่ใส่เบียดเบียนท เ, ทยเท่านี้เข้าส่งทนายาติเพศเองแนี่มันมาเบียดเบียนมันไ ม, ม่นไสัยดีเข้หนึ่งเศร้าเอาออกคมดจ้ะการรักษาศีลกับที่ได้บุนคุณนี่นี่การภาวนาเป็นี้นมีอีกได้ฮะเนี่ย ม, มันสิดีๆนะเนี่ยแนี่ยมูนี่แหะท่านรักษาศีลไปเล่นภาวนาการภาวนานี่ยผมญาตง่ายคนแน่อื่นการภาวนา มาไปห้าซ่อมหยดของนั่นแหละเป็นลดภาว纳เนี่ยการซ่อมหยดของหูเ ม, มือหยดของนั่นแหละเขาอื่นว่าพาวนาเข้าไป ห, หูจักเข้าไปหาแต่พุ้นใส่สหุ่นเลคกู้บาอาจารย์อยู่มใส่องไรเขามีซื้อมีเสียงเลจะไปละ่ะฮ้องฮ่อองหอยเลยแหะไปหาว่ามันซ่อมดีไม่ใช่ออยิ้มฟุ่นฮึมมันมีน้ำหยดของนี่ซ่อมดีนีู่้จอถังซสีไข่นียแล้วเห็นว่าเป็นหงเป็นเฮืองเป็นเ ห, เหลื่ยม ท้องน้ำฝนสมบูรณกับคู่สี่ไขเจ้าของเนี่ยเจอเจ้าท้องจดงสีม่วงริ้วพันธ์แดงสีฟองใสขื่นไปจังสังกัดชู้กันนั่นแหละว่นใสว่นมากใสไสใสแท้อบโลกเนี่ยแ้วมันโมมเจ้าท้องดอกแต่วนมาเจ้าท้องลาบโมมเด้อโมมพี่้าวเฮ็ดเจ้าท้องเนี่ยซ้อมกรับขึ้นม่ซ่อมมาหาเจ้าท้องอย่าไปซ่อมผู้อื่น ผู้บาดอาจารย์เพิ่นสีดีไป็น้ก็ตามเพิ่นข้าซ่อมเดของนี่ซอมตรงซ่อ ม, อมว่าเฮ้ย hey, หางนั่งยูบอสอะไรกันนั่งอยู่หรื อ, นนอ ย, ยืนอยู่นอฮะขึ้อยางยู่ึ้นนออยูเนี่ยซ่อมตรนี้หละละกอนจากหันไปอีกแหะซ่อมอุวาหันใสอยูบอสอะไรกันแห่ซอมตนี้วหันใจเขาหันใจออกซ่อมตรงซ่อนี้หละ แหน่ซ่อมฟอกันแงวแง่มันเป็นภาวนามันเป็นทางหน้าทีแน่สีดีน้่มคนมาหันเนยหลายไปเลด้แนวสีน้่มคนทางหน้าทีมาหันดีหลายนี่หลายแนวนีหลายแหนวดีๆมันรีวิหันมันเพียงวหันยุคในล้่ห้องนี้เข้าเยอะก็เอาเยอไปหาเที่ยวไปทุนไปที่ชุดทอบทุนทอดที่ไก่สดเลือกพรไก่บักม่วงมาได้แหละ นี่ตาแต่เหลืยวุเดงคือไะคล้อมไกย์คือไรนี่หูก็ฟังเกย์คือไะนี่ใจแต่คืดไปแต่แน่ข้างนอกคือไรโอ้ยแบบอยู่ในกบได้แล้วแน่จะคล้องเป็นตัวใดจะเลยบไวใดคล่อมระบัดหนูได้ขันอยากได้อย่างนี้เราต้องคล่อมเอาเก็ยตเอาคืล่ะมีดอกแน่ให้เกียร์นะ่ยธรรมะพ้นธะธรรนต่างๆสิ่งต่างๆนี่อยู่ในคิดในใจเท่านี้ละ ไปเมื่อเชียวเซ่นไปขุนเซ่นไปขี่สิหาบุญหาผีนองเอ้ยไม่ได้หอกตายกินงผู้ชื่นอ่ะเขาคืดลงป็น อ, อย่างเวลามันเร็วกันยยได้เนี่ยมันได้กันไนอาทิตย์จันทร์ังคานคุดจัดข้าวเดียวพวบอมาอ้าววันจันทร์อีกแล้วท่านผ้สายไปไปไปเช่นนอยทุกเสาอาทิตย์เช่นนพอยพวบอมาวันจันทร์อีกแล้วท่านผเอ้ บางสีหนึ่งเป็นสีข้าวเดียวแบบสีไหมข้าวเดียวแบบสีไหมมันพูมาซ่อมบางไฟพญานาคอีกที่ดนไปได้หรืบางไฟพญานาคสิสคือมีแออยห่ใจใจหอเปลามันมัมนออกขั้นศาหรือซ่อมไมได้ซ่ามนันนี่มอไซนี่คือได้ว่าหรอกโดนไปเนี่ยเราเตมวนไปหน่าอื่นซ่อมเอาแนมันนี่หละรูดีใจเนี่น่าจดีใจไห้เฮานีใจนดีเปนไรแล้วนี่ากมีใจนี่ นีแน่เดืดเฮ็ดแน่เดืดซ่อมแน่เดืไดไฟเฮ็ดดีดีแล้วเอาใส่กระตากระตาเม่นใจเอาสันบรยอยยังเด้